ในมุคขนสูตรท่านกล่าวว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออเซวนาจะบาลานังปันตานั้นจะเซวนาแปลความก็ว่า การม่คบคนพานพันดานอยากห่การครบบัณฑิตนี่ผู้ผู้ชอบด้วยกายวาใจใจเอตัมมังค า, ามุตตังท่านเราเป็นมงคลนนสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกคืเมอคบคนพานพันดานอยากนอกๆไปโน่นนั่นก็ถูก ในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตร <c oughs> เกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยทันสอนในแ ง, นง่แต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสำหรับตนเองใน ล, ลืมคิดนี่ถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเรา เป็นแต่เพียงเอาไว้เป็นบคนทานภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราครบคนคนทานภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่ครบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั่งถึงบัดนี้คนทานภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นทานคอยจิตกันคอยฉุดลาก คือกิจการกิจ ก, กันในทางที่ดีของเราไมา่ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั่นมาขัดข้องหาเรื่องนี่มายุ่แย่ให้ลวมเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าพานภายในคำว่าพานนั้นทาง พุทศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าผ่านจะมีความรู้ความหลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ผประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุข ตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมนี่พานนี้หมายถึงพานภ า, ายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึง่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยคบค้าสมาคมกับพานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้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 ต่วนะเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสังสมทุกข์ขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกวัดผ่านนี้เราก็ตีขแหนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบ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 ในขณะที่คิด ท, ท, ที่ทําที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครอบคนุผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนผ่านทั้งภายนอกภายในให้ครบบรรัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครอบครับครูครับอาจารย์เพื่อฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อุบาทสั่งสอนนิให้อุบายต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบกบตู้พระไกลปิดกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็น สิ่งที่ชักยุงให้คนอื่นไปรับความถุกความสบายเป็นความตุกต้องี่นามไปด้วยมีตนเป็นสำคัญเป็นผู้ให้อุบายมีทางเรียวกว่า บ, บัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็ บ, บัณฑิตภายในได้แต่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคุณาความดีจากตนนับแต่พื้ น, นคุณามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลส ออกจากจิตใจของตนเป็นลํำดับลําดับเป็นชั้นๆของสติ ป, ปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชเป็นด้นชั้นไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แจ่มหาสติมหาปัญญานั่นเองเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงมิมุตเรียกว่าจอมปราศที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราศ ได้เก็บผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระหันสิ้นกิเลกอาสวะโดยประทานทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังไม่ครบคนณทานทั้งคนณ่านภาย น, น, นอกทั้งคนณ่านภ า, า, ายในปณิตานั้นจะเสวนาไม่ครบบัณฑิตนักปราชุดูเฉลียวฉลาดทั้งภาย น, นอกและภ า, ายใน พยายามปิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ให้ควบผู้นี้ให้ต่างสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกําลังมากขึ้นโดยลํำดับลำดับเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุด น, นั่นอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่ ง, งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะรัตสำนังเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่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 นี่นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกแลพยายามทำให้แจ้มขึ้นมกักผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่ระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตะผลขึ้นภานาจิตใจของตนนี่ชื่อว่า เป็นผู้ทาให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแดเป็นมงคลอันสูงสุดใ น, นมงคลชีวนีที่ในมงค ล, ลสูทธิที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ธรรมสำคัญสำคัญทั้งนั้นแต่มีแยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเพียอเทียงกัน อย่าที่เทวดาทั้งหลายเกิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึง1ิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรุปขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถที้แกงอัดทมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ค้่องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้า ตามมงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้นแต่เวลาท่านสูญมวลท่านยกเอาเคียงมาอเอเสวนาจะบาลังเลื่อยมาเลยท่านาระกาศถึงบวกเทวดาทั้งหลายมาจากโน่นจากนี้มากมาย ก, ก, กายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อเนื้อคือมงคลสูตรสามที่แปดประการนี้มาแสดง มงคล3ามที่แปดประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายด้วยตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทปรับจริตนิสัยของเราให้มีพื่นพาในาจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ควบคนทาน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 แต่ทําไมท่านสามารถดูเห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาให้ได้สําเร็จมากผลนิพพานจํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดามเราเพื่อนกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศพระพูเทเถรเจ้าได้สําเร็จมากผลนิพพานเป็นโกรคําว่าโกรธ่ะหมายถึงเท่าไรมาทราบเป็นแสนแสนเป็นโกรธอะไรกัน ย้ไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนันเทศจงกระทั่งพ ร, ระองค์ปรินิพานตั้งในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทียวปัญหากรรมตั้งแต่หกทุ่มร่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบัน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 โลกแตกเพืวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนั้นด้วยทัศจักรสุญานของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวหรือคาดแผนด้น ล, ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด ร, ระหว่างคนโง่คนฉลาดมันขิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตา ทงสามารถสั่งสอนเทวดาอินทรมยมยงยากตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจำกัดขอบเขตมากมายกายวรอมพุทธภระจริงหนักมากขำหัพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทําประโยชน์แก่โลกพอเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเ ท, ท, เทวดาอินทรมอะไรอไร็เล แม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นั่นะแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทํานําภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพานไม่มีภาระไหนที่จะหนักมากกิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่เป็นไปด้วยอํานาจ วิสัยของของศาสดาทำมาได้ตลอดทั่วถึงแต่เราพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคู่ครานให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ําทําลายขี่รถเยี่ยรถวันยังขำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจังกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่สถานที่นั่งภาวนา พอนอนท อ, อนานมัก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นเช่วมเป็นฐานของกิเลสตัณหาทุกขียาบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูสิมันต่างกันไหมถ้พพาพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าหาเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องท่ามสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่ามานีก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าถ้าพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถ สั่งสอนโทองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ทั้งสามโลกฐานไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้ที่เด็ดตัญหาอาสะวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทาไมจะปล่อยตัวให้ที่เด็ดตัญหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้ลดเยี่ยวลดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็นกับ ขี้กับเยี่ยวของกิเลสคาเข้าเต็มตัวมีอย่างเลยพระสงฆ์กปลุกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสะวะแล้วมันทําไมมันขี่ลดเยี่ยวลดเราตลอดอยู่และเราไม่มีความขายะนขัแขงต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทํายังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอด ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสวะมันขี่รดเีหยื่อรถนั่งครัมันขี่รถเหยื่อรถตลอดมาในยบททั้งสี่ยังจะเป็นส่วมเป็นฐานมันอยู่หรือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติเป็นสาคัญที่เราจะนํามาช้าสมัครตัวเราเองกิเลสมันมีอานาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำามปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือผู้ต่อประจักษ์สงฆ์ตั้งแต่ข้ามพุตธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมปราบมันได้ เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ขี่รดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี้รดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทําไมเราจะทำไม่น่าทิปมันให้มันเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเลยอ่ะพยายามนี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้ําห้องถัาของมันมองไปไหนมีทั้งห้องน้ำห้องถ่าวห้องส้วมห้องกิเลสมันก็น่ากระโดดสำเร็จเหมือนกันนะเอาเฟิตตัวให้ดี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 ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากยิ่โกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทําไมจะไม่อยากได้ทาไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหน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 อารมณ์ความโกรธความหโงจริงก้านสาขามันแตกจริงแต่ก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเพียงไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโ ต, ตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดต้องการต้องการของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะ ม, มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมายไกลกองหนักถ้านนะค่อยอับเฉาหรือค่อย รูป ย, ยอดตายลงไปโดยลําดับๆจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอํานาจของมหาสติมหาอันดาศรัทธาความเพียม น, นี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำจังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้งสามประเภทอันใดโตนี้ให้หมดไปจากใจคําว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับๆจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดถ้าจับกลับใจเป็นสันติทีโก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 มาแล้วพอสมควรได้รับผานอบรมจากอาจา ร, รย์ทำเรยศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยฟังโอวาจากครูจากอตาตาตามพอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราถ้ามีสติ ป, ปัญญาทันกับกลมายาของทีเดีวซึ่งร้อยเล่พันเลี่ยงร้อยสันพันคงที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราขาดลงไปโดยลาดับลำหนั มีเละขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีตุวยมีเน่าสุขอย่างสม่ํำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอากาศวิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่ยะ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 ไม่ต้องมาวกเวย็นให้กายเกิดกันอยู่มาหยุดม่ถ้อยในขมิดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ชี้อย่างว่าวัฏวนไปวนมาตัดคงจากวัตะวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันด้นทนนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดอันใดก็ปล่อยไปหมดนี่ในธรรมบทที่กล่าวว่า สมนานันจะรัชนังก็เข้าในจิตดวงนี้แล้วนิบาศจิกิริยาเอตัมมังคารมุตตะมังก็เช่นเดียวกันทำพันิพาณให้แ้งคือเวลานี้พันิพาณถูกปิดบังด้วยีิเ็สประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าพเผยขึ้นภารกิจใจแม้นนิดหนึ่งเลยท่าพิศน่าจะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่าง ส่มาไม่เต็มที่เต็มถามได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโจร่งจิตใจของเราที่ถูกพิเดียรพุ่มหอ่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันพอตรองได้เลยเมื่อมิปิดตาทฉงนั้นนั่นอธิบายให้ทำพันิานพาณแจ้งพันิพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไร ทีพระมิพานยังแจ้งมาได้กเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือพิเดชนิสเกี่ยวเหมือนก้อนเมฆปิดบังอาทิเหมือนชำระลงด้วยความเพียรท่องเรามีสติ ป, ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นก็ค่อยแสดงตัวออกมาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งทำพระนิพานให้แจ้งอย่างประจักษ์นี่ก็เอตมังคามุตตมัง เป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่ยงกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการธรรมนิพพานให้แจ้งคือถึงความมือจุดแห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่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 เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนลำทางยังไม่กล้าเหยียบย่บําว่าไงเพราะนั้นเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารพหลักใหญ่แล้วปลีกย่อยเคารบไปหมดพระพุทธรูกก็าตามจะเป็นอะไรก็าตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบรู้สึก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 เราอยู่ด้วยทำกินด้วยทำเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติแต่รู้ไปเห็นมากน้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทนั้นเราจะเหยียบย่ำสลายได้อย่างไรท่านว่าเอาทําให้อยู่ดมกับเราได้อย่างอ่ะนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวยยอย่างเช่นท่านมาพักวาสรสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูขขงผมให้หนอดเลยนั่งเลยนี่จงเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะธรรมถึงใจ ความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเียกวสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทดีกว่าท่านสันมันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจากด้วยตาความเคารพในอัตนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น พอท่านได้มาโอ้โหนี่พระประจัยยนต์เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านต้องรีบเทยานออกแล้วเอายะพระปัจจัยนะนั้นเน็บไว้บนที่นอนท่าน ท, ทั้งกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่่มีขมามากแค่ไหนพระปัจจัยยนะ์จะมาทําเล่นเๆนี้ให้เหรือฟังนี่แหลสสะเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรด า, า, า, า, าที่สิ่งที่เป็น ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนปุถุชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่ลูกคลอดลูกคำคำงูปลาปาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นกวักเป็นหนาไม่ยอมเหยียบสิ่งได้ที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักต่างทัานเป็นอย่างนั้นเอเอไอ้แล้วนี่ โอ้เอาละหยิบเอวัง